ความคิดเป็นเพื่อนอยู่ยังไม่มีสติเป็นเพื่อนมีสติเป็นเพื่อนสองถ้าอยู่กับความคิดเนี่ยมันก็อยู่กับสตูเล็กๆเห็นไหมมันทําไมเราจึงจัดการกับความคิดเรามาลืมชอบคิดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากตรงเนี้ยเพราะว่าความคิดมันเป็นเจ้าเรือนมาก่อนมันเป็นเจ้าของเรือนเรามาก่อนะ ที่เราจะไล่ขาออกไปเนี่ยเขาไม่ยอมขอท่องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะทีนี้มันต้องสร้างความเดือดร้อนให้เราบ่อยๆมันถึงจะรู้สึกว่าเห็นโทษเห็นภัยในการที่จะละสิ่งใดสิ่นึ่งเราต้องเห็นโทษสิ่งนั้นอย่างถึงลากถึงโคเลยนะเ้าถึงจะละมันได้ถ้าเราไม่เห็นโทษมันถึงลากถึงแก่ล็นราไม่ได้หรอก ไม่แต่ราคะทูสามูหาน ร, ราคะเนี่ยตัวร้ายถ้าหากพวกเราไม่เห็นโทษของราคะจริงๆไม่ใช่เป็นเห็นโทษราคะเรื่องเพศเรื่องอะไเห็นราคะเรื่องกินเนี่ยใช่ไหมราคะเรื่องรักสวยรักงามราคะเรื่องอาหารราคะเรื่องแต่งในถึงตัวราคะเรื่องอ่านุ่สัมผัสสนุกสนานของกินของเล่นพวกเนี้ย ถ้าเรายังไม่เห็นโทษมันนะเราก็จะไม่เห็นโทษทุกความคิดปูแต่งที่เรียกว่าเป็นกรมาราคะหรือกรรมวรรคพวกนี้ยเราเราต้องเห็นโทษมันถึงแรกถึงโคนโทูสามเหมือนกันโทูสะนี่คือความกลัวเกิดเพราะความรักทีนี้ <c oughs> ความกลัวก็เกิดจากราคะนั่นเองเมื่อเราสิ้นราคะก็สิ้นความกลัว นะทีนี้โทสะทำไมเราจะมีโทสะคือความไม่พอใจเนะีนะ่ยความไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรตรงข้างกับความเป็นเหตุให้เกิดโทสะคือปฏิฆะก็นะมาจากความกลัวภัยเหมือนกันเราเกิดการป้องกันตัวเอง ตัวตัวกลัวตัวเดียวนี้เนี่ยมันเป็นทั้งรากของตาขะโทสะโมหะเลยเพราะเรากลัวใครเราจึงป้องกันตัวเองใช่ไหมเรากลัวว่าเสียชื่อเสียงเราจึงป้องกันตัวเองเรากลัวว่าจะเสียของรักเราก็แสดงอำนาจเพื่อป้องกันของรักของเราเนี่ยตัวนี้สําคัญความกลัวอย่างเดียวนะเพราะเรากลัวจนถ้าใครมาโกงเงินของเราเราก็โกรธโทสะใช่ไหม หร ใ, ใครมาหยิบยืมเงินของเราไม่ให้แล้วก็โกรธไม่พอใจก็เป็นตัวรักตัวระตัวกลัวตัวนะั้นนะสัญชาตญาณโมหะก็เหมือนกันโมหะเกิดเราไม่หลงเราไม่รู้เพราะเพราะเรากลัวเหมือนกันนะเรากลัวเป็นรากที่ลึกมากนั้นเวลาที่อยู่ที่บ้านการเอิญจุกุมสร้างจาังหวะต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง นนคว่ามันไม่ได so like. ้อยู miles, enfin ่คนเดียวไงตรงนี้คือถ้าเราอยู่วัดเราอยู่คนเดียวได้จริงๆเนี่ยทำไม่ได้ใช่สิ่งแวนล้อมใช่ใช่ขนาดขอเรายังไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะอืไม่ค่อยให้เท่าไหร่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรายังยันถูก ลบกวนมากขึ้นเพรอไรเพราะคนมีความทุกข์และปัญหาแต่ว่าถ้าเรายังไม่เข้มแข็งพอการทุบสะบอยๆก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะอย่างนักมวยเนี่ยถ้านักมวยนี้ยังไม่เข้มแข็งพอถ้าถูกซ้อมบ่อยๆก็ น่มเหมือนกันนะกันะีเราก็การทดสอบแต่ครั้งเหมือนการถูกซ้อมนะที่เราตอนแรกๆเราเข้มแข็งป้องกันตัวเองได้ที่มันสอบบ่อยๆเข้ามันมาหลายหลายคนหลายหมัดมันจะรับไม่ไหวนะแล้วก็ป่อแปรมอนกันนะดังนั้นเราให้ศึกษาเรื่องนี้ให้ดีอย่างน้อยที่สุดนะให้สัมผัสอารมณ์รูปนามไว้ก่อน รูปนามเบื้องต้นเนี่ยโดยสัญญาก็ตามให้สัมผัสไว้ก่อนคือให้ ล, ลึกรู้บ่อยๆว่ากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกาลังพูดอะไรเนี่ยให้ให้ให้จับความรู้สึกไว้ก่อนมันจะหยุดไม่ได้ก็ตามจะพูดหยุดพูดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้หยุดทำไม่ได้ก็ตามแต่ให้จับความรู้สึกให้ชัดๆในขณะที่ที่ทำไว้ก่อนอันนี้รูปนามโดยสัญญาเนะี่ย ทีนี้พอรูปนำด้วยสัญญามันบ่อยเข้าบ่อเข้าก็าจะแปลงตัวเป็นปัญญาของมันเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีตัวสัญญาที่เข้าไปจําหมายความรู้สึกตัวไว้เสมอเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปแปลงเป็นญาณปัญญาได้เลยไม่มีเหตุเพราะการระลึกรู้ตั้งใจตั้งเจตนาตรงนี้เป็นเหตุต้น เป็นเหตุต้นเหตุใกล้ว่รางั้นเถอะเหตุใกล้ให้เกิดตัวปรรัญญาตัวสมาธิตอนนั้นสร้างเหตุใกล้คือระลึกรู้แต่ที่เราโชคดีเราได้ตัวการยกมือเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นการความจะหมายรู้ให้เกิดตัวรู้สึกแล้วทำได้เรื่อยๆนันที่เราโชคดีตรงนี้แต่ถ้าเราไปนั่งหลับตากาหนดเนี่ยมันจะทำได้เป็นบางช่วงนะ แต่เคลื่อนไหวนี่มันทำได้ตลอดถ้าเราไม่มีเวลานั่งเคลื่อนไหวในรูปแบบเราก็ไปเคลื่อนไหวกันแต่ว่ามันเสี่ยงตรงที่ว่าเราสมดุลกับความรู้สึกไม่ดีพอถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่สองเนี่ยมันจะไปรู้สึกสําคัญมันหมายสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยเกินกว่า50เปอร์เซ็นตนะ มันจะไปไหลไป8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ความรู้สึกที่มือลงไปสัมผัสเนี่ยแทบจะเหลือแค่สิบเอร์เซและยี่ิเปอร์เนเท่านั้นซึ่งถือว่าขาดรุลละขาดดุลการค้าละแต่ถ้าการที่จะจะความรู้สึกให้มันสมดุล <c oughs> หรือได้เปรียบเนี่ยมันจะต้องอยู่กับตัวเรานี่เจ็ดสิบเปอร์เซนขึ้นห้าสิบเปอร์เซนตเสี่ยงมากแต่ให้ไปอยู่กับข้าวกับของที่เราสัมผัส น, นี่ยสักย0 3สบาสิเปอร์เซ็นพอ ลักษณะอย่างนี้ไม่เสียการที่เข้าไปสัมผัสไม่เสียความรู้สึกระลึกถึงแม้มันจะเป็นเพียงสัญญาก็ตามนะแต่ว่ามันก็ได้สติได้ความระลึกดูและแต่สตินี้ก็สังสส่งสมความถี่สั่งสมกําลังสั่งสมความพร่องตัวไปถึงระดับหนึ่งมันค่อยแปลงเป็นตัวยานปัญญา เพมขึ้นพิ้ น, น, นดังนั้นวัตถุดิบของยานปัญญาจึงอยู่ที่การความจำหมายการบรรลึกรู้ที่ฉันใช้คําว่าทีละสัญญาคือหมายความว่ลึกรู้อย่างอย่างมั่มนคงจำหมายในสิ่งกําหนดรู้อย่างมันงงม่นคงทีละอย่มั่นคงทีละสัญญาเป็นเหตุการให้เกิดสติและสติที่ว่านี่คือเป็นสติที่เป็นในรูปนามนะไม่ใช่เป็นสติในในวัตถุสิ่งของ ในรูปนามของเราเนี่ยไม่ใช่รูปนามข้างนอกจากตัวเรานั้นการที่เะคอยแล้วึกรูกบ้บ่อยๆคอยกําหนดรูบ้บ่อยๆแต่อย่าเพ่งนะ น, นี้ก็มีตัวแปรอีกถ้าทําด้วยตั้งใจเกินไปเพ่งเกินไปบีบคั้นตัวเองเกินไปอันนี้ก็ไม่ใช่อีกอ น, นี่คือตัวแปรที่มันยากมันช้าเพราะเราเผลอไปเพ่งเผลอไปตั้งใจเผลอไปบีบคั้นตัวเองอันนี้มันก็จะเลยสติไปอีกกลายไปเป็นสมาธิ ึสมาธิตรงนั้นที่เป็นสมาธิที่ไม่ใช่สัมมาสมาิมันก็เป็นสมาธิสมัมมิชาสมาธิเหมือนกันมันก็พัฒนาเป็นปัญญาไม่ได้มีพัฒนาเป็นวิชาด้าหาวิธานไปเลยอันนี้คือความยากของมันดังนั้นเราจะต้องใช้ความแยกคายความละเอียดความถี่ทวนในการคือเน้นถึงความละเอียดผี่ท่วนอย่างถูกต้องนั้นคือมันเกี่ยวกับการผ่อนคลายไม่ตึงไม่เครียดไม่เพ่ง ไม่ตั้งใจแต่ว่ามันมันรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติตัวเนี้ น, นี่คือคือกุญแจของมันรู้ยังไง ร, รู้ที่เป็นธรรมชาติคือไม่เพง่งไม่เคร่งไม่จ้องแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เพลินไหลถ้ารู้แบบธรรมชาติบางทีมันเสี่ยงต่อ ก, การเพลินและไหลใช่ไหมถ้ารู้แบบตั้งใจเพง่งก็ผิดธรรมชาติเป็นเหตุการให้เกิดความอุปทาน มีใช่สมาธินี่ที่คือคำคำยากของมันแต่อาศัยว่ารู้บ่อยๆเอาได้บ้างเสียบ้างถูกบ้างผิดบ้างทําไปก่อนแล้วมันค่อยเกิดปัญญาตามมาแล้วมันค่อยแยกเอาเออนี้ตั้งใจเกินไปนะเออที่เพลินไปแล้วมันก็จะมันก็ค่อยสั่งสมในส่วนที่ถูกมากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวไหนที่มันถูกต้องน่ะมันก็จะกลายเป็นตัวยานปัญญาไปตัวไหนที่มันผิดพลาดมันค่อยทำให้เรา มีปัญหาความเครียดความตึงค ว, ความอ่อนอ่อนใจความคิดอะไรมันก็แค่เข้ามาของมันเองนั่นหมายความว่าไม่ถูกละไอสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดขึ้นความคิดนิวรอณอ์ต่างนี่คือตัวสำคัญโยมยงุยงอยู่ที่บ้านได้เก็บอารมณ์ั้งหรือเปล่า แต่ว่าเก็บความคิดมากกว่ามันได้เก็บอารมณ์เก็บความคิดใส่ด้วยเองมันก็เลยเรื่องมันเลยคิดเยอะเนาะเก็บอารมณ์เก็บความคิดเข้ามาเรื่องนั้นก็นายคิดเรื่องนี้ก็นายคิดเก็บมันเข้ามาความมันก็เลยเยอะไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คิดแต่รู้เท่าทันทุกครั้งที่คิดมันเกิด การปฏิบัติการเกี่ยวลมไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดนะแต่รู้ทุกครั้งที่ความคิดมันเกิดเราแก้ไขเอาความคิดที่ไม่ต้องการออกได้ด้วยก็นะนั่นแหละให้รู้เท่าทันไม่ใช่สติใช้ปัญญาใช้สติเพียงเพียงบอกให้เรารู้ว่าเ <c oughs> นี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะสติมีหน้าที่แค่นั้นจบแต่หน้าที่จะไปแก้ไขจัดการให เห็นกระบวนการเกิดการตั้งอยู่ดับไปของความคิดเป็นหน้าที่ของปัญญาดฉงนั้นถ้าหากว่าเราเก็บที่บ้านเนี่ยฮันเรียกว่าสปายะไม่เอือ้อมันมีสิ่งที่จะล่อให้ออกไปแต่ละเวลาออนั่งสร้างเกี่ยวสภาพยายเอานั่นได้เลยเจ้าพักคล้งมาแล้วอันนี้จะทํำยังไงเออเจ้พักเอาไปซื้อของน่อยอันนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่ดึงออก ทีนี้พออะไรมากระทบแต่ละครั้งมันไม่ได้จบแค่นั้นเนี่ยมันกระเทือนกว้างออกไปใช่ไหมเหมือ น, นที่พูดเ ม, มื่อวานเมื่อก่อนนะเมื่อไอใบไม้หรือหินสักก้อนหนึ่งตกลงผิวน้ําเนี่ยมันไม่ได้จมไปเลยไม่เกิดเลยใช่ไหมใช่นะมเห็นไหมวงขายายออกไปเป็นวงเลยใช่ไหมเคยสังเกตไหมใช่ไหมถ้าตกแรงไอ้วงมัน ก, ก็ก็เพิ่มแรงถ้าตกคล้อยมันก็วงค่อยวงเล็กขึ้นมันก็ไปไม่ไกล ถ้าตกแรงยิ่งแรงก็ขึ้นไปกระทบฟังเลยทีนี้น้ําขุนอีกตัางหาเห็นไหมเหมือนกันในะความคิดแต่ละครั้งเหมือนกับสิ่งที่ตกลงไปในในจิตของเราแล้วมันก็ให้เกิดคลื่นวงกลมอคลื่นนี้ยังไม่จบเ อ, อ่ไอไอลูกใหม่ตกมาอีกไหมความคิดตกไปทีนี้มันก็เกิดคลื่นนี่คลื่นคือสิ่งที่ตกมากระทบน้ำอย่างล ม, มนะะอย่างคลื่นในทะเลลมมากระทบน้ําแรงใช่ไหมก็ปั่นขึ้น ในจิตเขาเรียกว่าอารมณ์แต่ในทะเลในน้ําเขาเรียกวอารมณ์เฉยๆนะแต่ถ้ า, าในแง่ของนํามาทําเขาเรียกาอารมณ์ตกมากระทบแต่ถ้าสมมติสิ่งที่มากระทบมันไม่ตกถึงน้มามันมีของรับไว้ก่อนเนี่ยสมมติมันตกค้างมังคาใช่ไหยไม่ถึงน้ํามันก็ไม่เกิดคลื่นหมือนของมันมีอะไรมากระทบปั๊บสติไปรองรับไว้ทันตัวอารมณ์กระทบนั้นก็ตกไม่ถึงจิตคลื่นก็ไม่เกิด นี่คืออำนาจของสติปัญญาที่มันมาไวแต่มีมีหลายครั้งไม่ที่รับมันได้นะหรือตกทะลุทีเดียวเลยเนะี่ยตกที่ไหนถึงที่นั่นเลยเนะยรับไม่ค่อยทันนะแค่จะเก็บออกก็ไม่ทันอยู่แล้วเดีย๋ยว่าแต่รับเลยนะบานะงทีเราก็จมน้ำไปเลยจมผู้ความคิดติดอยู่ในความคิดแล้วก็าไปจมน้ำแล้วนนะเปียบปอนขึ้นมา นั้นการเก็บอารมณ์ที่บ้านถ้าเราไม่เข้มแข็งจริงทํายากเพราะสิ่งลุมเล้าสิ่งแวดล้อมดึงดึงออกไปก็เรื่อไม่มีสัมปะส ป, ปายะไม่สปายะนั่นนั้นตัวนี้ตัวสําคัญทีนี้วันหนึ่งรวมเวลาของการเก็บแล้วได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงถ้าไม่ยุ่งอ่ะแต่เช้าถึงเย็นรวมรวมเวลาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยรวมรวมเร้ไม่ได้สมาธสักเท่าไหร่ ก็ต้งลบปนิวอร์ีคเพราะมีบางทีมันมาเกินบ่ายโมงบ่ายสองบสามมันยังไม่ลงเลยวันไหนกินข้าวอร่อยโอ้วันนี้อร่อยกินได้เยอะโอ้ยเยอะมากเลยบ่ายสามมั่น่ะแต่วันไหนกินได้น้อยกินผลไม้กีนของเบาๆแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดละวันนะแต่ว่าไหนกินอร่อยอาหารถูกปาก ไปเจอป่าน้ำดีด้วเยเดี๋ยวหูมันเยอะเลยกินเมื่อวานแกงมะถุยออกมายังไม่กล้าชันเดียวมันมันเยอะเลยเพราะฉะนั้นอาหารทั้งนั้นก็ดีอาหารที่มันปรุงนิวรณ์ทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราสู้ตัวฤกกิเลสตัวนี้ได้หรือเปล่าก็าสู้ราคาตัวนี้ได้หรือเปล่านั่นแหละแต่เวทนามห้ามไม่ได้ไกายกับใจอยู่กันเวทนาเวทนาก็แรงใช่ไหม มุ่งก้แรงเอ๊รู้ว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันนะมันก็รู้ขึ้นเดินอะเพราะฉะนั้นรู้ว่ามีนิวรณ์ต้องเตรียมตัวพิธีป้องกันคือลดต้นเหตุเชน่นว่าเราเราน้อยไ ป, ป่ากินเยอะไปหรือเปล่ากินของสแสลงอไม่ถูกกับ น, นิวรณ์กินข้าวเหนียวเยอะหรือเปล่าพวกนี้ยต้องไปป้องกันตรงนั้นด้วยนะอืมอ้อนวอนอีแต่พอเราจําเป็นต้องกินสิ่งนั้นเราต้องตั้ง ตั้งท่ารับวิบากแล้วทีนี้ไอ้วันนี้กินข้าวเหนียวเยอะไปหน่อยไอ้ตัวง่วงลงมาเน่ฉันจะตั้งรับมันอย่างไรื อ, อถ้ามีวิธีการตั้งรับอย่างนี้นะมันก็น้อยหน่อยเออเนี่ยฉันรู้สึกซึมซึ้งหรือง่วงมาหนักหนักตาแล้วหาอะไรทําำปวดบ้านถูบ้านหรือจัดโน่นจัดนี่สักพักหนึงพอรู้สึกว่าไอ้ตัวหนักหักตาหนักหนักควารู้สึกมันหายไปนะ ก็ไปนั่งทำหรือไปเดินทำสักพักมันมาใหม่มอีกใช่ไหมหายง่วงเลยนะก็เดินทำก็หายง่วงแต่ว่าก็ติดแนะนี่คือวิธีว่าเมื่อป้องกันไม่ได้ก็ต้องแก้ไขให้เป็นเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ต้องบังคับมันให้เป็นเพราะฉะนั้นวิธีปลอดภัยที่สุดคือป้องกันหมายความว่าอย่าไปสร้างเหตุมันมากอย่าไปกินอาหารเยอะอย่าไปกินข้าวเหนียวอย่าไปกิน อาหารที่มันจะไปปรุงคขาม ง, ง่วงให้เกิดอะ่ะอย่ไปกินอิบเกินไปอย่างงี้นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ประการสำคัญคือช่วงบ่ายเราวมากจะงีบสักงีบหนึ่ ง, ไ ม, งไม่งีบเลยนะเละแสดงว่าถูกหรอกแต่ถ้ามันเป็นคงต้องการทางกายเรนอนลงป๊อกก็หลับไปเลยนะ อันนี้ก็าให้ลับแสงมันออเลย้่ม่อยากนะเาก็จะดูว่าความงมันมาดทางไหนยูไม่ทันอูไม่ทันไม่ไม่ได้มาทางระมาทางความรู้สึกนั่นแหละแต่มันมาทีละนิดเคือบคลืนเข้ามามาอยู่รสึกหน่วงๆหนักๆกายก่อนนะความรู้สึกก่อนต่อไปมันก็ลามไปที่ตา ถ้าเร า, เรายังแก้ไม่ทันนะมันจะลามไปเรืยหมือนไฟอะ่ะตอนแรกก็ไม่หมซิบๆไกลๆมานะพอเร า, เาธรรมดามันไม่ไกลอยู่นะพอมันกินไปเรื่อยลมช่วยเลยทีเนี้ยวุดุดุไปเลยเอาไม่ทันเพราะการสําคัญคือตัวอารมณ์ร่วมถ้าเป็นไฟไหมก็คือตอนแรกที่ไม่มีลมก็ไหมธรรมดาใช่ไหมพอลมมาพื้นเดียวไปวุดๆๆดเลย เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกง่วงถ้ามีอารมณ์ร่วมอยากจะเสพของง่วงนะเหมือนกับลมได้ลมเลยไปอย่างรวดเร็วซึ่งสังเกตได้ยากเพราะนั่นต้องไปเช็คตรงนั้นดังนั้นเราเก็บยู่บ้านหนึ่งความคิดเยอะสองความง่วงสามไม่ค่อยสงัดวิเวจิตสูงออกบ่อยใช่ไหมอันนี้คื อ, อ ไ, ม ไ, ไม่ได้ยินเลยอันนี้ก็เป็นบางวันนะ บางวันปัจจัยก็ลองไปตั้งใจดูแต่ถ้าเอาเก็บบ้านเก็บอารมณ์ที่บ้านได้เข้มแข็งนะฮะอารมณ์จะเข้มแข็งได้ไวเพราะมีตัวทดสอบเยอะเหมือนนักมวยอ่ะมันถูกทดสอบเยอะถ้ามันรอดน้ำไม่ถูกนอกมวยมันเข้มแข็งมากเลยนักมวยคนนั้นนะ ก, ก็ดีส่วนหนึ่งก็คือถ้าทําได้มันเข้มแข็งไวเพราะมีตัวทดสอบเยอะแต่ถ้าหากว่าทดสอบแล้วมันไม่ผ่านแล้วก็ เลดูเก <c ười> <c ười> ็นะไม่รอดนกันนี่ก็เสียงนะอ้าวยมสุคนเป็นไงบ้างตอนนี้หยุดน้าตาไหลแล้อยังหยุดแล้วอย่าร้องไห้บ่อยเลยฮจุเหลวแล้วนะจวแล้วนะก็ดีอ๋อเด้ Ừ, ตอนนี้พ่นจากนาก้าํนาก็มาเป็นเหลวๆแลนะตางแดดอีกหน่อยเดี๋ <ừ. S 1> <ฮ>ยวเข้มแข็งนะก็พยายามเคี่ยวเคี่วจากที่มันน้ําเหมือนก็เป็นเหลวๆจากเหลวๆก็เข้มแข็งนั่นหมายความว่าการเคี่ยวหน่อยถึงจะจับความรู้สึกทําความเพียงให้มากน้อยตบาทเนี่ยทําให้มันมากอีกหน่อยหนึ่งให้ตัวจิตของเรามัน มันเหลวไปกับอารมณ์เหลวคิดเรื่องนั้นเหลวไปจับเรื่องนั้นเนี่ยให้มันเข้มขึ้นมามันหนักหน่วงมันเหลวมันมันหนักหน่วงหมายความรู้สึกได้ไหวอ่นะแต่มันเข้มแข็งขึ้นมาหมายความว่าอะไรมากระทบปั๊บรู้ความรู้สึกตัวที่ชัดนี่เขาเรียกว่าแข็งละแต่ไอันนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไปไงความเพียรต่อเนื่องถ้าความเพียรไม่ต่อเนื่องมันเข้มแข็งมันเหมือนก็เลยเขี้ยวอ่า อาหารอะไรบางอย่างที่ให้มันเหนียวม่นนะต้องเคี่ยวคนยืนนั่นแหละแต่ละอะไรผมก็เป็นน้ำน้ำเหลวๆเนี่ยเคี่ยวไปเคี่ยวมาคนที่เคยทํำขนมอ่ะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็เวลาทํางานก็ไม่ไปต้องมุ่งว่าจะทําให้เสร็จหรอกทําให้รู้สึกตัวเพราะแม่ครัวเองก็ไม่ได้หวังให้โยมว่าจะทํานั้นเสร็จหรือไม่แตแต่ว่าได้ปฏิบัติทําไปกับเขาเท่านั้นเอง ถ้ามีเวลาก็เก็บอารมณ์บ้างถ้าอยากช่วยครัวก็ช่วยแบบฝึกฝนไม่ใช่ช่วยแบบไอ้มันเอาผลน้องงานอะไรไมเป็นหลักหรือล้างผ้ายั้งผักอย่างรู้สึกล้างถ้วอย่างรู้สึกเดินอย่างรู้สึกอะไรไบเนี้อันนี้ก็คือการตั้งสติอยู่เสมอมันจะเข้มแข็งได้ไวแต่ว่านอกจะหลุดอ่ะใช่ไหมหลุดบ่อยหลุดบ่อยอ ก็แน่นอนเพราะร่างกายมันร่างกายไม่ค่อยเข้มแข็งมันก็นิวร์ก็มาบ่อยนะเพราะนั่นอยู่ที่ว่านิวรณ์ของเรา <c oughs> นิรณ์ของเราเข้มแข็งหรือเปล่าแล้วนิวรณ์ของเราอ่อนตัวหรือเปล่น่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะเราไปสังเกตแต่ว่านิวรณ์ในบางทีเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของนามอย่าเลยเรื่องของลูกด้วยเพราะนั้นเราก็ยอมรับในความ เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นวิบากของร่างกายนะแก้มันไปเท่าที่จะแก้ได้ทำความเข้มแข็งให้ตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวนี้โดก็เบาลงําเสริมอยู่ที่บ้านได้เก็บอารลงบ้างหรือเปล่าทำได้แต่ช่วงเย็นทาได้แต่ช่วงเย็นยนนตอส อ๋อาหวันไม่ได้เลยเพอาะคนขอ้านอืมขอ้านก็ธรรมดานะมาหากินแต่ว่าถ้าเราตั้งเจตนานะทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เนี่ยมันก็จะดีเพราะเราเห็นภัยของความคิดเห็นภัยของอารมณ์เห็นภัยของความต้องการความอยากแต่ว่าเราต้องแยกให้ออก การประกอบอาชีพ p น, นเป็นหน้าที่มันไม่ใช่ความอยากเสมอไปใช่ไหมเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ในหน้าที่ที่เราทําด้วยอย่างสุจริตเนี่ยเราสามารถที่ปฏิบัติทําได้เพราะในการประกอบอาชีพก็มีการเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกตัวนี่มันมีเครื่องมืออยู่ <c oughs> แต่ว่ามันจะถูกแบ่งไปเยอะหน่อยแค่นั้นเองอ ออืก็อันนี้ก็อยู่หน้าร้านก็เดินไปเดินมาได้เดินโยกกลมนะจากความรู้สึกเช็ดของคนยังไม่เข้าร้านนลยนะเช็ดจับตรงนั้นจัดตรงนี้ให้สวยงามไปจัดแล้วก็ไปเดินโยกกลมเดินสักพักหนึ่งลูกค้ามาก็ยิ้มยิ้มแจ่มใสให้หน่อยแ้วก็ค่อยอ่เอาอะไรใช้ยิ้มลูกเดียวมันยังไม่ต้องคุยเลยคนง่ย ข้าวาดนี่ใหญ่เย็นยิ้มเสมอคนก็อยากเข้าบ่อยๆนะขายของดี <c oughs> ก็ลองใช้ความสามารถของขครของมันดูในการเก็บปฏิบัติแต่มาในงานยุ่งทั้งวนันเขาเก็บอารมณ์กับงานนั่นแหละยิ่งขึ้นเขายิ่งได้อารมณ์ดีเลยนี่แหละอารมณ์ดีเพราะเรขึ้นไปศึกษาไป ขัดตรงไหนปวดตรงไหนร้อนตรงไหนหนักตรงไหนหน่วงตรงไหนศึกษาไปหยุดดูไปพักๆไปแต่ว่าเวลาคนอื่นขึ้นเขาขึ้นพระรักเป็ น, นู่นเลยนะสิบนาทีไปนั่งเหงื่อการแตกหายใจแหกแหกแหกใจสั่นเต้ทุบๆอันนี้ก็เรียกว่ามันล้มตั้งแต่แรกเลยแหละเพราะความยากนะ <c oughs> เพร อ, อ, อะไรเพราะใจมันไปอยู่นู่นแล้วอ่ะไอคค้กายก็อยู่ก็ดึงชักก็เยอะกันดิไอ้นี่ก็ชักล อ, อกอยู่ไอ้นี่ก็ถูรูถูกกไในกายเนี่ยนึกถึงอย่างนั้นน่ะก็จะไปถึงข้างบนถ้าเป็นของก็ถลอกปอกเปลือกใช่ไหยดึงขึ้นไปลากขึ้นไปแต่ถ้าต้องไปร่วมกันเนี่ยไม่ต้องดึงต้งล่างเนี่ยไปร่วมกันเนี่ยแทบจะยกแทบจะห่อไปทีเดียวมันไม่ต้องใช้พลังอะไรตรวจสอบไปอะไรไปสนุกมาก่อนถ้าทําเป็นนะ ทำอะไรก็สนุกไปหมดนะเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหมายด้วยความอยากให้มันสาเร็จแต่มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและรู้สึกตัวจะทำอะไรก็ได้ผ่อนคลายและรู้สึกตัวผ่อนคลายและรู้สึกตัวความคิดมันอยากามากออกมา ก็มันจะเหนื่อยได้ที่ไหนเพราะว่าเราเราจเจริญสติตลอดเวลาอืมวันนี้ขึ้นเขาทนึงสองสารอบไม่เห็นเกิด อ, อะไรขึ้นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใจเราไม่ได้ไปที่โน่นอะใจเราไปกับกายอ่ะใช่ไหม <c oughs> ไปด้วยกันนะเจรจากันไปคุยกันไปตรงนี้ตรงนี้ก็ <c oughs> ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้สึกตัวอะไรบางทีไเพราะอะไรเพราะไปถึงแล้ เพราะตาเราก็ไม่ได้มองไปไกลตาเราก็มองแค่ที่เดียวก้าแวแค่นั้นหลยอ่าไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะนะมันจะถึงนะอะไรนะไม่ได้คิดเจะเรีบไปทําไมไปถึงมันก็คือไปถึงนั่นเองแล้วไปถึงเราจะวร่งไปทำอะไรอีกเวลามันมีความอยากแป๊บขึ้นมานะแล้วก็ขู่มันขู่มันก็ยุด อ, อไปถึงแล้วไปนั่งเหงื่อการแตกแล้วขอให้มันมีประโยชน์อะไร อ, ะอ่ะ ูมันแต่ตอนลงนี่ไวหน่อยกว่าไม่ทันทางวัดนี้นะชับๆๆๆๆแต่ว่าครั้งก็ไม่มีอะไรเร่งรีบก็ค่อยๆลงมาแต่เวทนาหนึ่งก็คือยุงมันเยอะนี่อนยะนี่คือหลักในการสอบอารมณ์ตัวเองนะเอาต่อไปยุ่มแม่ในพระเป๊ะเป็นไงบ้างดีนะ เ, เห็นไหม มีมีนิสัยขึ้นละทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเลยใช่ไห ม, มอือคยนี่แสดงว่าบุญพักเปยเกิดละรู้งี้ก็มาแต่แรกเลยเนาะก <laughs> ็ไม่ไม่ใสเกินไปแต่ว่าในช่วงกลางวันช่วงของพ่อไม่ได้อยู่ดูแลเนี่ยขยันทำเอาเองก็แล้วลกันตั้งใจว่าเรามาสร้างบุญบารมีขั้นสูงสุดเพราะฉ ทำอย่างระมัดระวังเพราะกันไม่มีใครเป็นเพื่อนดีๆแล้วอาจะได้ทําเต็มที่เพื่อนมีนอยู่ ใ, ใกล้ๆอาจจะชวนเราคุยก็ได้ตรงนี้นะฮะนี่อาจแจะเกิดความเกลิกอกเกงใจทําแล้วมันเออถ้าอยู่คนเดียวตั้งใจทําแล้วก็ทําได้เต็มที่จะจมิตเต็มหน่วยเลยถ้าใครมาชวนพูดถ้าไม่จําเป็นก็เดินห่างๆด้วยก่อนอย่าเพิ่มเข้าใกล้ตนนี้าสายคนไทยจะแก่ยากหันหน้าเข้ากันไม่ต้องคุยกันอันนี้คือความยากของคนไทย แต่ถ้าหาว่าเรามีสติเข้มแข็งจริงๆเรารู้ว่าเนี่ยจะต้องมีการพูดเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นห้อยห่างไว้ก่อนถอยฉากไว้ก่อนตรงั้นเด็กเหมือนกันต้องมวยเข้าใจมันต้องถูกแยบถูกต่อยใช่ไหมนั่นถอยฉากห่างไว้ก่อนมันก็อย่าเจ็บตัวน้อยห <c oughs> น่อยนะเวลาจับความรู้สึกจับเป็นแล้วใช่ไหมเพราว่ารู้สึกแต่ละครั้ให้เทียบดูว่าเราเราไม่ยกมือกับยกมือเนี่ยความรู้สึกต่างกันอย่างไรให้ศึกษาก่อน เห็นให้ดูเห็นความต่างเด้๋ยวก่อนระหว่างยกมือรู้รู้แบบไหนไม่ยกมือก็รู้เหมือนกันรู้แบบไหนชัดหรือไม่ชัดเทียบให้เห็นความแตกต่างให้ชัดเดก่อนอย่าอย่าไปกลัวตรวจสอบนี่คือเรียกว่าโยนิโสมนสิการมีผลมากทีเดียวนะโดยยี่โสเนี่ยนะแต่คนส่วนใหญ่จะมีแต่ศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่มียโยนิโสครั้งตัวโยนิโสคือตัวปัญญาเองคือศรัทธาที่จะทํา เห็นเขาทําก็ทําไปแต่ไม่รู้ว่าทําแล้วได้อะไรเนี่ยแล้วขาดตัวนั้นแต่ถ้ามีการตรวจสอบนะออทําเทียบดูหรือนั่งไปนานๆมันขัดขาเนี่ยเ อ, อ๊ทําไงให้มันไม่ขัดต้องยกดูเ อ, อ๊ยกนีดมันหายไปได้งไงแล้วก็นั่งทาไง ม, มันสบายเ อ, อ๊สบายก็ดีนะเอาหน้าไปจรักมาเริ่ม เริ่มตึงอีกแล้ใช่อ่าเริ่มตึงแล้วก็ขยับไปขยับมาแก้ไขไปบางครั้งเนี่ยเราจะเปลี่ยนทันทีไม่ได้เพราะว่ามันจะขาดพลังความทุกข์นี่คือพลังนะความปวดนี่ก็คือพลังแต่มันเป็นพลังลบอยู่เท่านั้นเองจะทำไงให้เป็นพลังบวกไฟเนี่ยมันเป็นพลังใช่ไหมพลังงาน้องไปถุงไปต้มไปเผาอะไรดูดิไปตมน้าด้วยพลังดันปุ้งปุ ง, ปง แต่ถ้าเราจัดระบบมันถูกมันเป็นพลังบวกแต่ถ้าจัดมันไม่ถูกมันเป็นพลังลบบ้านหลังเนี่ยถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกบ้านหลังเนี่ยไอ้พลังไฟไม่ถึงชั่วโมงวินาห์เลยแหละใช่ไหมนี่เห็นไหมพลังมันทําลายได้ขนาดนั้นน่ะมันแรงขนาดไหนแต่ถ้าใช้เป็นพลังบวกเป็นแสงสว่างใช่ไหมพลังแสงไฟอาทิตย์เนี่ยใช้มันถูกมันก็เป็นแสงสวาง่างให้เร า, ท, าทั้งทั้ที่ไม่มีเครื่องปั่นละเพราะเครื่องปั่นเสร็จแล้วก็ใช้พลังแสงอาทิตย์ เพราน้นนไฟที่นี่ใช้ของเทวดาทั้งนั้นนะมันก็ได้ใช้ของมนุษย์เท่าไรละ <c oughs> น้ำก็สั่งมาจากเทวดามุนเขาไฟก็สั่งมาจากเทวดามุนฟ้านี่ให้เราได้ใช้เพราะเราจัดระบบธรรมะได้ถูกไง น, นี่เพราะฉะนั้นใช้ทุกเป็นมันเป็นพลังใช้สุกเป็นมันก็เป็นพลังเย็นก็เป็นพลังใช่ไหมพลังเยน็นะสามารถที่จะทําให้ของในตู้เย็นไม่เน่าได้เป็นพลังแต่มันต้องมีระบบจะเอาน้ำแข็งมาตั้งตรงนี้เอาของมาตั้งนี้ มันรักษาทำไม่ได้เพราะมันไมมีระบบไฟก็เหมือนกันเราจะเอาไฟไปแสงสว่างจุดไฟขึ้นมาสว่างเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันก็มอดเดี๋ยวมัมีปัญหาเยอะแยะแต่เอาไฟนี้ไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ซะก็จ่ายมาตามระบบมันก็คงที่กว่าและสว่างกว่านี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นพลังเป็นพลังบวกตรงที่ว่าเราจัดการมันถูกเป็นพลังลบพลังเด็กตีป์เอนเนอรี่กับโพซิทีฟเอนเนอรี่ เป็นพลังลบตรงที่ว่าเราจั ก, การไม่ถูกแต่ไฟเนี่ยลองเผลอไปจับสายมันเข้าในเรื่อ ง, องน่ะ น, นั้นพลังลบช็อตเรากระตุกนมาพระาพาุทธมรรคตายไปก็มีเป็นพลังลบก็แรงความทุกข์คือพลังที่แรงมากถ้าเราบริหารมันเป็นนะมันคือแสงสว่างเพราะนั้นไงยีสสีผู้ที่จะเริ่มต้นเรื่องอะไรในเสริมทุกข์ใช่ไหมเริ่มต้นด้วยพลังเลยเห็นไหม แต่เหตุเกิดของพลังลนี่มาจากอะไรมีความอยากใช่ไหมทีนี้การจัดระบบท่านใช้คำว่านิโรธจะแปลงระบบนี้ให้มันเป็นจัดระบบให้มันแปลงให้มันเป็นผลเนี่ยแต่วิธีจัดระบบะเป็นอย่างไรถ้านมาใช้คาว่ามัามกมักคือวิธีการนิโรธคือแปลงได้สําเร็จละพลังโดนนั่นไงใช่ไหม แต่ที่นี้เราก็ไปพูดอธิบายในลักษณะที่มันเป็นนามธรรมอ่ะมันก็เลยยากใช่ไหมมันก็ไม่เข้าใจเลยแต่พอพูดถึงรูปธรรมอ่อเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเดินปวดขาเนี่ยเกิดพลังไหมพลังอะไรนานๆเดินนานๆเกิดพลังอะไรสังเกตไหมเวลาเดินนานๆมันปวดขาปวดแข้งมันเหนื่อยเนี่ยสังเกตไหม นั่นแหละเป็นพลังลบหรือพลังบวกถ้าเราไปคิดว่ากูปวดกูไม่สบายกูตึงเครียดอยากเป็นพลังลบทันทีใช่ไหมถ้าเราไปดูว่าอ๋ออันนี้ความปวดปวดที่เป็นรูปหรือเป็นนามแล้วกันปวดนี่เป็นรูปนี่มันรูปของความปวดถ้าสติเข้าไปรู้ว่ากันปวดนี่มันเป็นนามนี่เป็นพลังอะไรทันทีพลังบวกทันทีเลยใช่ไหม อันเดียวกันนั่นแหละแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันถูกหรือมันผิด ถ, ถ้าเกี่ยวข้องถูกเราไปเห็นว่าความโปวดขณะ น, น, นี้มันเป็นเรานี่คือพลังลบแล้วเพราะเราจริงๆมันไม่มีแต่มันมีความอยากเข้าไปสร้างพุทธิเจา้าท่านอุทานว่าเราไม่เจอสติตัวนี้นะความอยากมาเล่นงานเราไม่รู้เกิดกายเกิดใจไม่รู้กี่พวกมีชาตินับไม่ถ้วนเนี่ยบทนี้เรารู้จักละไอ้ตัวอย่างนี่แหละ แต่เราใช้มันเป็นพลังลบมาตลอดบัดนี้เอาสติเข้าไปแปลพลังลบให้เป็นพลังบวกไปถึงนิพพานเลยเห็นไหมคืนเดียวอะ่ะดูสิมันง่ายมากเลยแต่ทําไมกลายเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่เข้าใจสัจธรรมในจุดนี้เราก็ไปเอาพลังทั้งหลายมาไปพังพลังลบเพราะเป็นพลังลบมันก็นนทําร้ายตัวเองดีเผาตัวเองใช่ไหมเผาวัตตัวเองดี ะแล้วเอาความทุกข์มาเผาตัวเองแล้วทีนี้ทุกข์ไม่ไหวกูทำไม่รู้นังเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าไปยาวเลยทีเนี้ยมนแต่เรารู้ออกปวดใอ้ปวดมันเป็นรูปนี่รูปนามเนี่ยมันเริ่มรู้จุดนามขึ้นมาแล้วเอ้ลองมีสติเข้าไปเรู้เปลี่ยนปวดรูปนั้นหายไปรูปปวดหายไปรูปไม่ปวดเกิดขึ้นอ้อรูปไม่ปวดก็มีนี่ ตัวตัวปลายมันคือตัวสติแล้วใช่ไหมตัวจัดการนี่เขาเรียกว่ามร์ไอ้ตัวที่ปวดมันหายไปนั้นเขาเรียกว่านิโรธแต่นั่งไว้สักพักมันปวดขึ้นใหม่พลังเกิดอีกแล้วสาเหตุเพราะว่าเรานั่งนานเราอยากอยากให้นั่งนานๆเป็นความอยากทําให้เกิดปวดนั้นนเะนี่ยมันก็จะอยู่ในวงนั้นเนี่ยวนไปวนมาเพราะฉะนั้นรูปคือทุกข์กับสมุ ท, ทยัยนามคือนิโรธ ก, กับมร์เพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้เรื่องรูปนามเราก็รู้นิโรธรู้มรรคอริยสัจนั่นเองแต่เราไม่ต้องไปแจงหรอกเพราะมันเป็นโรมตที่พุทธเจ้าท่านตัดเป็นสู่สําเร็จมาแล้วไม่ต้องไปรู้ก็ได้รู้ว่าเราจัดการเรื่องรูปเป็นก็คือรู้เรื่องรูปละเราจัดการเรื่องนามเป็นก็รู้เรื่องนามละถ้าเราจัดการไม่เป็นทั้งสองอย่างนะมันก็เป็นทุกขรูปทุกนามทุกละทีนี้อันนี้แจงทุกขังานตาต า, ตามมาเลยแต่เราจะดการมันถูกมันไม่เป็นนิจญาทุกขังา น, านาตาเป็นอะไร เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นญาณไป น, นู่นเลยเพราะฉะนั้นตัวจัดการคือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากถ้าว่าเราไมให้ทีทุ่นขนาดนั้นอ๊้นั่งปฏิบัติการสามปีสี่ชาติมันก็ไม่ไปไหนแร้วแต่ถ้าเราทําให้ถูกมันชั่วข้ามคืนเนะบรรลุธรรมเลยนะเหมือนพุทธิยา่าอ่ะนะเพระนั้นเองมันมีตัวอย่างเยอะ เพียงแต่เราไปแก้ไขให้ถูกนั่งอย่างนี้อ่ามันเริ่มมีอิรไชใช่ไหมเราก็มีสติรู้ทันทีอ่มันรบกวนอ่าสติไปจัดการเพราะสติมันบอกเท่านั้นแหละไอ้ตัวที่เปลี่ยนคือเป็นตัวของอะไรตัวของปัญญาใช่ไหมจัดการได้ถูกที่เป็นหน้าที่ของปัญญาเนาะสติเพียงแต่ชี้เป้าเท่านั้นเองแต่ยิงให้มันถูกเป้านี่เป็นหน้าที่ของปัญญาแล้วสติเป็นตัวชี้เป้าอะไรเกิดเท่านั้นเองหน้าที่ของสติ นะการเล็งการตั้งใจการจะเป็นหน้าที่ของสมาธิเป็นเรื่องของปัญญาไปเขกาก็ทำเนี่ยเห็นไหมถ้าเราอํานวยได้ถูกสติสมาธิปัญญาจะมากันทันทีแต่ถ้าเราไปแช่ไปลืมนะอะไรเกิดอวิชชา ต, ตันหาวทานทุกเกิดทันทีเหมือนกันแต่คนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกฝนใช่ไหมไม่ได้เรียนรู้มันก็ไปแต่ร่องนั้นแหละตลอดพบตลอดชาติตลอ ด, ลอดกรรมเกิดแล้วกายอีกกายเลี้ยงเกิดอีกก็อยู่ในร่องนั้นแหละ ที่ยมพามาหลายวันแล้วเนี่ยดูจักรูปน้ำได้ยังพอนั่งแล้วจะติดสมที่นะฮะเราไปนั่งทำไมก็เปลี่ยนปัญหารได้แล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรนะคือเรือมาปติบัตามก็เวลาปวดบ้างอือหือใ่เดียก็รู้สึกเร็วที่ อแล้วทันความคิดหรือเปล่ า, า, า, าอืมการทํางานบริการช่วยเหลือพระดีๆนะแต่ว่าต้องต้องทันในสิ่งที่เราทนะําเนี่ยเราไม่จะทําให้สําเร็จได้ทําให้ดีนะแต่ทําให้มารู้สึกตัวถ้าเราไปนั่งสร้างจังหวะเดินโย ก, กงบงทีเราอาจจะง่งเราจ ะ, าจะคิดอะไรมากๆอย่ า, างนะี้นะแต่โดยทำอย่างนี้นปับ๊บอ่า แี่ว่าถ้ามองเห็นงานมันเป็นผลบ้านงานมาแต่ก่อนก็อยากจะดีอยากจะแอันนี้อันนี้จะเป็นใสส่วนที่ไม่ค่อยแกนี่เขาเรียกว่าอาสวะอาสวะที่มันออกมาโดยที่เราไม่รู้แต่บางครั้งมันอยากลองหยุดดูความอยากเสก่อนถ้ามันหมดความอยากฮะเอาแคนี้ไม่ใช่อยากทําให้เสร็จให้ดูตัวอยากตัวนั้นเสก่อนอย่านึกว่าอยามเสร็จไม่เสร็จให้ดูตัวอยากว่า มันอยากจะทําเนี่ยอาการเป็นยังไงให้ดูความอยากสักนิดหนึ่งอันนี้ต่อไปถ้ารู้จากความอยากเราจะทําด้วยความไม่อยากนได้ไหมอ่าตรงนี้น่าน่าเขาตรงนี้เป็นตัวใช้ปัญญาละเอาเราทําด้วยความอยากมันต้องรีบมันต้องเร็วมันต้องลื ม, ต, ลมตัวใช่ไหมนะะแต่ทีนี้เราจะทําด้วยความไม่อยากเนี่ยได้ไหมทําแต่ไม่อยากแต่ชาบ้าน ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เป็นเรื่องของมันแต่เอาไม่ใช่เรื่อยๆดิไ อ, ไอเรื่องรู้ว่าเสร็จไม่เสร็จเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่อาจารย์จับตัวรู้สึกให้ชัดในขณะที่ทำเนี่ยจะเร็วก็รู้จะช้าก็รู้จะให้ช้าเท่าไหร่จะให้เร็วเท่าไหร่ก็รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่เสร็จเมื่อไหร่มันรู้ให้รู้สึกที่มือนะถ้าไปรู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่มันไปสู่เป้าหมายหนึ่งแล้ว อ่าเป็นห่วงผ้าแล้วที่นี้ที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าจิตของเราไปสู่วัตถุที่สอง second object เนี่ยมันก็จะจิตมันก็จะไปไหลยอยู่ที่แปดสิเก้สิเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมแต่พอได้สติปั๊บดึงตัวมาสู่ first object คือตัวที่มือที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยวัตถุที่หนึ่งเนี่ยรูปนามเราสังเกตไปแล้วก็ทำไปว่าใจไหลไปอยู่ตรงนั้นเท่าไหร่ <c oughs> การทำนั้นไม่ห้ามแต่ว่าบาลานซ์หรือสมดุลความรู้สึก ที่อยู่กับผู้กับนามเนี่ยได้ชัดเจนแค่ไหนถ้าช่วงไหนมันพยายามซึบดูน้าน้ำไม่ได้มันจะไหลไปเลยอยู่ก่อนผ้าทิ้งไว้ตรงนั้นไปนั่งสร้างจิตวะโดยจิตคูณสักพักแล้วมาตรวจสอบใหม่มันไม่แห้งวันนี้มันก็ต้องแห้งพรุ่งนี้ไม่แห้งพรุนี้มันก็แห้งมัรุ่นนี้มันไม่เสร็จวันนี้ก็ต้องเสร็จพรุ่งนี้แล้วจะรีบไปไหนไงรีบว่าหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อมีเยอะแยะไม่ต้องมาเจนไม่ต้อใส่ไม่ต้องไม่นั่นแหละคือความเขาเรียกว่าความ อยากความเคยชินนั่นเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกเก่าๆนะอ่าก็ อ, อ, อ, อ, อันนี้คือการศึกษานะการศึกษาแต่ถ้าเราศึกษาถึงที่สำเร็จเนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นที่วัดของเราเนี่ไม่มีการ <c oughs> รีบเร่งอะไร แต่ต้องการทุกอย่างให้เป็นขบวนการการศึกษาตัวเองทั้งหมดเลยเรื่อการกินการอยู่การดับการ น, นอนการซักการล้างการถูการจัดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการศึกษาช่วงไหนที่จิตของเราอยากจะทําอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำเดินโยผมสร้างจะเล่นไปสัสบายๆก่อนนะี่อมันรู้สึกตัวชัดเจนเลยนะ แล้วค่อยเลื่อนความรู้สึกตัวชัดๆเข้าไปทําดูไปจับดูว่ามันอยากจะอยู่กับตัวเองชัดไหมถ้ามันอยู่กับตัวเองชัดทำไปเรื่อยๆแต่มันทั้ะไรจะหลงจะไหลความคิดแทรกเข้ามาหยุดก่อนนี่คือวิธีการจะที่ทํางานแบบไม่ไม่เสียสตินะ <c oughs> <c oughs> ทําการทำไม่เสียสมาธิ <c oughs> แล้วจะได้ทั้งงานแล้วได้ทั้งสติอู้ประโยชน์มหาศาลเลยที่นี้ แล้วเราจะทํางานเป็นแล้วต่อไปยมมีความชมํชมนานิชํานาญและเข้าใจธรรมมากสูงกว่านี้นะถ้ายมเป็นแนะคนมีลักษณะนิสัยแบบเดียวกับยมนะเขาจะเชื่อโยมทันทีเพราะอะไรเพราะยมมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเอาประสบการณ์ทีไปสอนเขาอการสอนธรรมะคนอื่นไม่ได้หมายถึงว่าไปนึกไปึกไปจองไปจําไม่ใช่นะเอาประสบการณ์ที่เราเปลี่ยนจากที่มันเป็นนก่งติเป็นโพสิทีฟจากลบเป็นบวกแล้วเนี่ยแปลงอย่างไรแล้วไปบอกเขาทุกคนมาทําได้ทั้งนั้นแหละ แต่ที่มันทําไม่ได้เพราะมันยังไม่มีศรัทธายังไม่มีความมั่นใจที่จะทําองค์คุลิมาณนีะ่ะฆ่าคนมาเท่าไหร่ใช่ไหมพอพะพุทธเจ้าบอกวิธีแปลงเพราะท่านแปลงทัน ท, นทีจากมหาโจรเป็นพาาระอรหันต์เน่ะเปลี่ยนไปได้อย่งไรเพียงแต่พลิกแปลงตัวนั้นให้มันสําเร็จเท่านั้นแหละจุลมนตร์ถูกคนโง่อะแต่กลายเป็นคนฉลาดมีฤทธิ์มีเดชแปลงชั่วไม่ไม่ ไม่ถึงวันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะมองข้ามไม่ได้ในการที่เ็ไปสัมผัสสัมพั์กับอะไรก็ตามนะแล้วการสัมผัสสัมพั์นั้นเราจะต้องมีสติมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอแล้วมันยัา ง, ง่ายเพราะฉะนั้นการอยู่ที่นี่อย่ามาต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมองขับกันไม่ได้ไงเดี๋ยวมองข้ามมาเดี๋ยวไ อ, อ้รหลวงพ่อจาที่จำชัย อ่าใช่แต่ว่าเราก็เปิดโอกาสให้เจ้าของตัวเองใช้ปัญญาของตัวเองใช้สติของตัวเองแต่ถ้าหาหลวงพ่อไปจ้งจิ้มใช้บ่อยมันเป็นสติปัญญาของพ่อไม่ใช่ของโยมถ้าโยมรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้โดยไม่ได้รู้ด้วยสติปัญญาของตัวเองเดี๋ยวมันก็ลืมนี่คือเหตุผลว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรมากมายเพื่อให้โยมได้ใช้สติปัญญาของตัวเอง อ๋อว่าธรรมดามันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างเอาอยู่แม่ที่มาจากสระบุรีใช่ไหมดีขึ้นนะไม่ฟุ้งซ่าไม่ฟุ้งซานเท่าไหร่อ่านะพยายามตั้งใจหน่อยนะช่างเราทิ้งไปเลยอนั่นจะเสียเวลาไปกับความคิดความคิดแล้วมันจเสียเวลามาเท่าไหร่ใช่ล้วมันได้อะไร มันแล้วมันจมันแล้วมันได้อะไรแล้วมันได้อะไรความคิดอ่ะกันนั่นนะได้ทุกอะกกแล้วทำไมคิดมันละ่ลละนั่นเองเราไม่ไปเอามันละ่น ะ, ววละอืมเพราะว่าอะไร ส, สมมติสั ม, มา ย, สสยาพยมเพราะสติสัมยาอ่อน เนี่ยที่ว่าที่ไม่รับคนอายุมากเข้าวัดเขคนเพราะเศรษฐีัญญายอ่อนมันยากตรงนี้นะโคอนโทรตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนกันะ <c oughs> ตรงนี้ที่อาจารย์วัดอาจารย์สรญญานะใช่วัดอาจารย์ศรญญาได้เกินหกสิบถ้าไม่รับเลยนะนั่นนี่ยัยมยมโชคดีเกินหกสิบยังมาได้นั่นเนี่ยแต่ก็ส่งคลอกันอย่างว่านั่นแหล ะ, น ะ, นะเอ้าวยมจากรัชเวกันนะ เป็นไงบ้างนอนหลับดีไหมเมื่อคืนนั้อืมหลับเพลินเลยใช่ไหมตื่นตื่นตื่นไหวอยู่นะแล้วกิตคี่ถึงลูกหมใวาชเจ้าชานมีทาคิดแบบเราได้แบบภาัควกับความที่กับการมืดลงมับการต่อสู้แล้วก็ ทุกๆอย่างนะและ้วก็มาต่อไปทีมที่ทำใน ท, ทิกเกอร์อินซี่กมมันยากตรงที่ว่าเรายังแยกความสุขทางโลกกับทางธรรมไม่ออกนี่นะ <Okay. S 2> ยากตรงนี้ความสุขทางโลกเราต้องการเห็นความสําเร็จของครอบครัวต้องการเห็นความสํ <Okay. S 2> า, ร เ, าสเร็จของลูกต้องการสําเร็จการศึกษาต้องการครอบครัควรมีอยู่มีกิน การให้คขาครัวมีความรักขอสามัคคีนี่ความสุขทั้งโลกนะขึ้นเกิดปัจจัยข้างนอกหมดเลยใช่ไหมเราจัดการได้ไหมจัดการได้ส่วนนึงกับปัยจัดการได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดด้วยซ้ำไปมันยากแล้วนะแต่ถ้าสมมติเราหวังว่าตัวเองจะให้มีความสุขจากการกระทำอย่างที่เราทำเองได้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงไหม เพราะตัวของเราเองเนี่ยเราคนโคุมได้เราจัดการได้ใช่ไหมแต่เราคนอื่นเนี่ยสิ่งอื่นเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิแทบจะไม่มีสิทธิไปจัดการเลยนะแต่ก็น้อยมากอะ่ะเรามีสิทธิ์เฉพาะคนที่เราจัดการได้คนที่เราจัดการไม่ได้สร้างปัญหาให้เราเนี่ยเยอะเลยใ ช, ใช่ไหมอันนี้คือตัวแยกไม่ออกระหว่างความสุขทางโลกกับทางธรรมแต่ความสุขทางธรรมนี่หาได้จากตัวเอง การปฏิบัติทำกรรมฐ า, านนี่นะทำมีปัสนาทำได้ตลอดเวลาจัดการได้ตลอดเวลาเลยแต่คนอื่นบางครั้งจัดการได้บางครั้งจัดการไม่ได้ใช่ไหมอันเราก็ไม่ใช่ง่ายที่จะทำแต่ถการทำจัดการกับตัวเองนี้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ง่ายด้วยใช่ไหมเห็น<ม>ไหมว่าจริงๆแล้วการหาความสุขทั้งโลกทั้งนัน้นมันง่ายกว่า น่ละคนทั่วไปก็รู้ว่าความสุขทั้งโลกหายากเรามันไม่เป็นความสุขที่เฉยยังยืนใช่ไหมความสุขที่ทำทำหาง่ายและเังยืนแต่ทำไมคนไม่แสวงหาล่ะเพราะยังไม่มีปัญญา <laughs> เพราะยังไม่เกิดปัญญานะจนกว่าจะเกิดปัญญาได้ตาเห็นธรรมนั่นแหละมันถึงจะแยกออกว่าอันนี้ความสุขทั้งโลกไม่จียยังยืนนะ ลูกดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ชั่วหัวดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ชั่วพ่อแม่ดีที่สุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไอเราดีที่สุดเดี๋ยวเราก็ควบคุมตัวเองไว้ได้ใช่ไหมความสุขทั้งโลกมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ละ เ, เวลาแล้วก็เป็นสาเหตุให้เราทุกข์มากมายด้วยใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านถึงหนีออกบทไงท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าความสุขของเครหัดผู้ครองเหลือ น, นั้นมีเป็นความสุขที่เป็นเส้นทางที่แคบแคบมีทุกข์มาก แต่มีสุขน้อยเพรท่านได้สติไงท่านไม่เอาเลยท่านออกสมบัติพระสถานบ้านเมืองพ่อแม่ลูกเมียแต่เรามีอะไรสักเท่าไหร่นะเรายังออกไม่ได้แต่ท่านมีขนาดานั้นแล้วออกได้อ่ะนี่เรากราบท่านแล้วกราบท่านอีกทุกคืนทุกวันเลยใช่ไหมเราเห็นความวิเศษตรงนั้นของท่านนะการตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ประสบสําเร็จแต่เราเดียวว่าแต่ญาติโยมแม่แต่พระเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ยังยังห่วงนะ ห่วะนั้นหงนี้อยู่มีบาทสักใบกัติดที่บาทมีตีโหวตสักตัวกัติดที่ตีโหนเห็นไหมอุปธรรมสูงมากเพราะฉะนั้นให้ไปพิจารณาตรงนี้ก่อนนะเราสุขกับสิ่งที่ยั่งยืนกับสุขจริงที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยเราต้องการอะไรแต่จริงๆแล้วต้องการความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าหรือได้วความสุขที่เ ท, ท็จเทียมแล้วจอมปลอมลึกๆนะ แต่ถ้าเรายังไม่เก <lad star tra purple> ิดปัญญาญาณนั้นแก็ไปเห็นความสูงชั่วคราวความสั่ที่จองปลอมเป็นที่พึ่งอยู่ดีเนี่ยแหละเพราะอะไรมันสะพัดง่ายใช่ไหมมันสะพัดง่ายเหมือนกับเอาเนี้ยไปทานข้าวเปล่าการกันทานข้าวรวยน้ำปลาน้ำตาลอะไรเนี่ยคนก็จะเลือกไปรวยน้ำตาลน้ำปลาใช่ไหมเพราะอะไรมันรสชาติมันจะดุจดีแต่ทานข้าวเปล่าเนี่ยคุณไม่เคยชอบแต่มันปลอดภัยนะ เหมือนกันความสุขทางธรรมเหมือนกับข้าวเปล่าๆนั่นแหละแต่มันก็ทําให้อิ่มนะแต่ข้าวรวยน้ํำปลารวยเกลือรวยอาหารที่ปรดย่าดีมันก็อร่อยกินได้มากแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะระยะยาวใช่ไหมความสุขทั้งโลกทั้งธรรมเหมือนกันความสุขทั้งโลกมันมีรสชาติมันยากตรงนี้แหละแล้วคนก็ไปติดรสชาติใช่ไหมอันนี้คือความอยากแล้วเราจึงไปแก้ต้นเหตุโดยแก้ที่ความอยากไม่ต้องไปแก้ที่ความสุขความพูดหรอก แค่ที่ความอยากเราจะรู้ทันทีว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรแต่เมื่อไหรเราอยากอยู่นะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าเนียเนาะอยากนี่นะอยากให้ลูกสมดุลอยากให้ลูกเรียนอยากให้พ่อแม่สบายอยากให้ตัวเองมั่นคงเนี่ยมันเอาออกยากหรือเปล่าแต่ความอยากตัวนี้นะแต่ความอยากเหล่านั้นมันก็สั่งสมจากความอยากหรือแค่เล็กน้อยนั่นแหละความอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากไปอยากมาอยากกินอยากดื่มอยากเสพอยากสนุกมันก็จะไปจากความอยากเหล่านี้ก่อนก่อนที่จะเป็นความอยากตัวใหญ่ๆตัวนั้นนะ พูด้ดเจ้าใช้ใช้คำมหิจัดมหิจกามหิ ช, ห ช, าาหชาตา่าความอย่างใหญ่เป็นไ เ, เพื่อความทุกข์อภิจตาความอยากน้อยเป็นเ พ, เพื่อความสุขนั้นอันนี้เหตุของมันนั้นลดไปลดอายากที่ไม่จําเป็นนั้ลดลงก่อนนะเพราะอะไรพูด้ดเจ้าบอกว่าเนี่ยฉันเวียนว่ายใจเกิดมันจนนับชติไม่นับชันไม่ทั่วน ไ, ไอ้พวกแกดูเดียวนะ อันว่าอย่างสะใจเลยนะอันใดกัชาติที่สร้างสร้างหลังสร้าาวิสั้งอ น, นิวิสั้างหากาลหลังเขาเวสั้างโดทุกขาชาติพุทธพุนามเพราะไอ้แควอยากตัวเดียวเนี่ยท่านพระเจอวิ๋นว่าใจเกิดจนนับพบประชาชนทุกชนชั้ น, นอนคิดและคิดอีกได้แต่เกิดจนตายเนี่ยพราะดูนี้ตัวเดียวนะบทนี้ฉันเห็นแก่แล้วไอ้ความอยากแก่จะมาสร้างเรื่องให้ใจของเราไม่ได้อีกดูดิท่านเด็ดขาดแค่ไหนตอนแรกท่านก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะวันที่ตัดสรู้เนี่ยวันที่อยาจะตัดสิรู้ท่านมาเห็นตัวนี้ โอ้โห و, พึงเลยขาดเลยความอยากดังนั้นพยายามหน่อยก็แล้วกันนะถ้าใครมีความสามารถที่นี่อยากจะถามคำหนึ่ง ค, กกความอยากเกิดจากาอะไรยิง่งเกิงไกลไป มันคิดเป็นความอยากไปแล้วล่ะความรู้สึกที่มากระทบใหาเรียกวิทยานาใช่ไหมยอย่างสมมติโยมนั่งนานๆนะเนี่ยปวดขานี่ความอยากเกิด mm. ใช่ไหมฮะความอยากเกิดเกิดได้อยากไปอยากตรงนี้อยากจะเปลี่ยนอะ <laughs> ใช่ไหมเออมันทุกขเวทนารู้สึกไม่สบายใช่ไหมความรู้สึกก่อให้เกิดความอยากเอาใกล้ๆยาวไกล ใช่ไหมพอมันสบายอยากอีกแบบหนึง่งอยากแค่มันอยู่นานๆอยากอกะไรใช่ไหมเอาอันนี้ก่อนเอาอ น, นี้ให้ชัดใก่อนแต่เมื่อพอทํางานนานๆไม่สบายอยากอยาพักพักสักมันสบายแล้วอยากทําอีกเห็นไหมโอ้โหมันล้อมหลังล้อ ม, อมหน้าลเลยไออยากเล็กๆ เ, เนอะนะ้อเน้อเหลนี้เราเคยเห็นหน้าเห็นตามันบ้างไหม ไม่เห็นมันใช้เรามาตลอดชีวิตแหละมันขี่คอเราใช้ตลอดชีวิตแหละเราถ้ามันไม่ ม, ม, ม, มีมันเราไม่ทุกข์ขนาดนี้หรอกนะไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วจะสนุกนะเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้แ ก, ก, แกเป็นนักบริการวนมาตลอดอย่างนี้ค่ะช่วยบริการไม่แต่รูปรูปเดิมๆอะไรขึ้นตัวเองนะไม่ค่อยให้ตัว เพราะเราอยากเราอยากฟังเราอยากดีไงล้วก็ติดดีด้วยอเมื่อก่อนนี้เราชั่ตัวเองเพื่อที่จะออกจากความไม่ดีนะพอออกจากความไม่ดีแล้วมันไปติดสูความดีอานี่คนไหนออกจากความดีติดอยากดีได้ท่านเป็นเป็นพระนัคธรรมีเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะข้ามเลยนะข้ามโดดไม่ต้องผ่านอะอ <ค><ณ>เออนั่นะ้นน อ, อความคิด อ, อ่ความคิดมันหลอก อ, อ่ะแต่ความจริงตอนโยมไม่มาเขาก็ทำทันอยู่แล้วเร<ค><ณ>ื่องเยความอยาก อ, อ่าเขาก็ทำได้อยู่แล้ว<ค><ณ> อ, อใช่ไหม อ, อือใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าเสียเวลากับมนอดีเลย<ค><ณ>ไม่ว่าอยากดีอยากชั่วนี่นะทำทุกอย่าง ฉันอยากหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยากอยู่ด้วยก่อนจนกระทั่งว่าไม่มีความอยากที่จะทํำแต่ก็ทําไปทําด้วยความไม่อยากทุกวันเอามาอย่างไงนะเอามาขึ้นเขาเนี่ยมันก็ไม่อยากขึ้นหรอกนะแต่ว่าขึ้นด้วยความไม่อยากแล้วสนุก <laughs> ถ้าความอยากขึ้นเอาหูมันเหนื่อยจะตายนะอยากให้มันถึงอ่ะแต่พอทําเดินด้วยความไม่อยากขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ย ก็มันรู้สึกตัวไปเคลื่อนไหวไปมันไปของมันเองแล้วปรากฏว่ามันถึงไวกว่าที่เราอยากที่อีกเนีเอมันเรื่องประหลาดนะอมันก็เป็นความจริงมันมีทั้งลบทั้งบวกที่มันเป็นลบเพราะเราติดใช่ไ้มเราติดความดีนั้นที่มันเป็นบวกเราก็ถือเอาตัวมันนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าใช้คาว่าเอาตัรหาล้างตัรหา เอาอุปทานล้างอุปทานเอาความอยากล้างความอยากเอาความยึดล้างความยึดเข้าใจไหมอ่าเอาไปพิจารณานะแล้วจะเลือกความดีเลือกความชั่วได้โอเคมุทนาพน